สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟซู ต, ตอนที่สามร้อยแปดสิบแปดเรื่องการโลมที่เบธานีพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์บทที่สิบสองพระธรรมยอห์บทที่สิบสองข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่แปดโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าก่อนปัสกาหกวันเยรซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานี ซึ่งเป็นที่อยู่ของลาสลัสผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ฟื้นขึ้นจากตายที่นั่นเขาจัดงานเลี้ยงพระองค์มาธาก็พรนิบัติอยู่และลาสลัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระองค์มารีเอาน้ำ ม, มันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลก ร, รมัมซึ่งมีราคาแพงมากมาฉลมพระบาทพระเยซู แล้เผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอทคือคนที่จะอาญดพระองค์ไว้พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสักสามร้อยเดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจน เขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินไว้และได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปพระเยซูตรัสว่าช่างเขาเถิดให้เขาเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอ พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้ตั้งคาถามว่าเรามาหาพระเยซูเพื่ออะไรในขณะที่คนบางคนมาหาพระเยซูด้วยจิตใจอคติจิตใจบุ่งร้ายแรงจูงใจของเขาไม่ถูกต้องแต่มารีซึ่งเป็นพี่สาวของลาทรัสนั้น เขาทำกลับกันครับบทเบื้องหลังของบริบทเบื้องหลังของพระครมีิตอนนี้ก็คือเหตุการณ์นี้นั้นได้อยู่ในช่วงใกล้เทศกาลปัสกาพระบรมทบอกว่าเทศกาลปัสกาของคนยิวนั้นใกล้เข้ามาแล้วคนเป็นนั้นมากก็ได้จากบ้านเรือนของตัวเองเดินทางไปยังกรุงเยอเล็น ในขณะที่จํานวนคนที่เดินทางไปกรุงเยลเส็มนั้นคาดการกันไว้นะครับว่ามีจํานวนมากเป็นแสนนะครับพระเยซูได้เสด็จดําเนินไปหลายครั้งที่กรุงเยลเส็มเมื่อเป็นเด็กอายุสิบสองปีพระเยซูก็เข้าเยลเส็มเพื่อที่จะทําพิธีบามิสวาการเดินทางครั้งนี้ของพระเยซูนั้นแปลกครับเพราะว่าพระเยซู จะต้องสิ้นประชนในเทศกาลปัสกานี้ถือว่าเป็นเทศกาลปัสก า, กาทั้งสุดท้ายของพระเยซูที่พระเยซูดำเนินอยู่ในโลกนี้ก่อนที่พระเยซูจะสิ้นประชนพระเยซูทรงราบทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของพระองค์เองได้เป็นอย่างดีในขณะที่พระเยซูเดินผ่านเมืองเยริโคหยุดรักษา บาธิเมอัสคนตาบอรดใช้เวลาแวะไปที่บ้านของซักเทียสและเวลานี้ก็จะต้องผ่านเบธานีครับเบธานีนั้นเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ลาสลัสมาธาและมารีนั้นอาศัยอยู่แต่พระเยซูก็แวะมาเยี่ยมเยียนมาธามารีและลาสลัสอยู่เสมอเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเ ย, ยรูซาเล็ม พระเยซูก็จะอาศัยบ้านของเขานะครับและพี่น้องสามคนนี้ก็ต้อนรับเปิดบ้านของเขาเพื่อที่จะต้อนรับปฏิบัติพระเยซูในขณะที่ผู้นำศาสนากำลังจะหาทาง seek and kill ก็คือหาทางที่จะพบกับพระองค์มองหาพระองค์เพื่อที่จะฆ่าพระเยซูเสียพี่น้องครับ พระเยซูได้เสด็จมาถึงเบธานีและผู้เขียนพกิติคุณคือยอนนั้นได้อธิบายลักษณะของเบธานีว่าเป็นสถานที่ที่ราซาลัสได้เป็นขมิลความตายมีการจัดเลี้ยงอาหารให้พระเยซูและราซาลัสก็นั่งโต๊ะสวยร่วมกันกับพระเยซูด้วยและในข้อที่สองก็ยังบอกว่ามาทาก็ปณิบัติพระองค์อยู่แต่มารีได้นา น้ำมันหอมนาดาบริสุทธิ์หนักครึ่งกิโลก ร, รัมซึ่งมีราคาแพงมากมาเลโลมพระบาทพระเยซูแพงขนาดไหนครับแพงขนาดถึงสามร้อยเหรียญเดนาริอันซึ่งเทียบเท่ากับค่าแรงของคนธรรมดาในสมัยนั้นหนึ่งปีทีเดียวครับเพราะว่าวันหนึ่งเขาได้รับค่าแรงหนึ่งเดนาริอันสามร้อยเดยนาริอันก็เทียบเท่ากับ เป็นค่าแรงประมาณหนึ่งปีครับพระกมภีร์ได้บันทึกชัดเจนครับให้เราแทบจะได้กลิ่นหอมครับเพราะว่ายอนั้นอยู่ในสถานที่จริงยอนั้นอยู่กับพระเยซูและยอนั้นก็อยู่ในห้องนั้นด้วยยอนบรรยายว่าขณะที่เธอเอาผมของเธอเช็ดผ้าบาตรของตรงในเมชาเรือนนั้นก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ํามันกลิ่นน้ํามันนะครับน้ํามันหอมนารดาเนี่ย เป็นน้ำมันที่ทำจากรากและต้นไม้ของสมุนไพรสมุนไพรในตะวันออกกลางนั้นครับหรือในดินแดนปาเลสไตน์นั้นเป็นกลิ่นหอมครับพี่น้องสุภาพสตรีในทุกวันนี้ก็มักจะแสวงหาเพื่อที่จะได้มาซึ่งน้ำมันหอมของตะวันออกกลางหรือปาเลสไตน์ดินแดนของพระเยซูนี้ น้ำมันทำจากรากและต้นของสมุนไพรในกลิ่นหอมงอกงามในแถบทุ่งหญ้าของภูเขาที่นี่บอกว่าเป็นภูเขาที่สูงครับและถูกส่งมาเป็นสินค้าโดยบรรจุในหีบที่ทำด้วยหินแกะสลักหรือขวดแก้วซึ่งจะเปิดใช้เฉพาะในโอกาสที่พิเศษจริงๆเท่านั้นธรรมดาการเฉลมน้ำมันมักจะทำบนศีสะครับ และไม่ใช่เป็นวิธีที่ผิดปกติในการฉลมน้ำมันที่ศีรษะแต่ครั้งนี้มารีนั้นถ่อมตัวมากไม่กล้าสัมผัสถูกต้องพระเศียรของพระองค์มารีก็เลยใช้วิธีฉลมน้ำมันลงบนเท้าของพระองค์แทนการฉลมนั้นไม่ยากครับเพราะว่าเป็นพิธีประเพณีในสมัยก่อนที่เวลานอนกินอาหารเขาจะเองครับนอนเอนภาษาอังกฤษเช็คว่ารีคาย คลายก็นอนเองรับประทานอาหารโดยที่ว่าแขกจะนอนเอกเหนกบนที่นั่งยาวหันศีรษะไปใกล้โต๊ะพวกเขาจะพิงหมอนอิงด้วยแขนข้างหนึ่งและรับประทานอาหารด้วยแขนอีกข้างหนึ่งท้าของพวกเขานั้นก็จะยื่นออกนครับยื่นออกศีรษะก็อยู่ทางโต๊ะครับเท้าก็ยื่นไปทางปลายที่นั่งห่างจากโต๊ะอีกในหนึ่งของการเฉลิมก็คือเป็นการปริบัติ ตามปกติของคนรับใช้เราสาวกก็ร่วมรับประทานอาหารอยู่ด้วยสาวคนหนึ่งชื่อยูดาสอิสคาริโอบุตรของซีโมนผู้ซึ่งยอนได้กล่าวไว้ว่าจะเป็นคนที่อาญัพร่เยซูก็กล่าวทักท้วงขึ้นมาว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันเป็นเงินสักสามรอยเดนาริอันแลแจกให้กับคนจนเงินจำนวนนี้มีค่าเท่ากับรายได้เฉลี่ยของผู้ชายหนึ่งคนนะครับพี่น้องต่อหนึ่งปีผมได้บอกไปแล้วพี่น้องครับ เมื่อผมถามว่าเรามาหาพระเยซูเพื่ออะไรคนอื่นๆมาหาพระเยซูด้วยแรงจูงใจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามแต่ผมอยากจะให้พวกเราพี่น้องที่จะมาหาพระเยซูด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้องที่นี่เราจะเห็นถึงคนที่ใกล้ชิดพระเยซูสองคนคนนึงเป็นสาวกก็คือยูดาสอิสคาริโอตอีกคนหนึ่งก็เป็นสาวกเหมือนกันครับก็คือมารี ในที่นี้เราได้บทเรียนว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักไม่มีคำว่ามากเกินไปไม่มีคำว่าเวอร์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเมื่อเราอยากจะทำอะไรกับคนที่เรารักและผู้นั้นคือพระเยซูก็ไม่มีคำว่าเวอร์หรือมากเกินไปพระเยซูเป็นอะไรในชีวิตของเราต่างหากครับที่เราจะรักพระองค์ แบบสุดจิตสุดใจพระเยซูเคยสอนนะครับว่าผู้ใดที่รับการยกโทษมากผู้นั้นก็จะยิ่งรักมากในวันนี้ผมอยากจะถามที่น้องว่าพระเยซูทำอะไรในชีวิตของเราพระเยซูเป็นอะไรในชีวิตของเราและเราจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักอาเมน